3. การชนะความโกรธพระพุทธภาสิทธิอกโกเทนะชิเนโกทังอัสสาทุงสาธุนาชิเนชิเนกะทธรยังทาเนนะสัจเจนาลิกวาทินังแปลว่าพึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีพึงชนะคนตรนีด้วยการให้พึงชนะคนพูดหล่อแหละด้วยคำจริง คำแปลข้างบนนี้แปลตามในยะแห่งพระอัธกถาจารย์บางท่านแปลว่าพึงชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชนะความไม่ดีด้วยความดีเป็นต้นก็มีแต่เมื่อกล่าวโดวยใจความก็ลงํำนองเดียวกันคือให้เอาสิ่งที่ดีไปชนะสิ่งที่ไม่ดีเหมือนเอาน้ำสะอาดไปชำระสิ่งโสโครก ความโกรธคือความขุนใจขัดเคลืองใจเมื่อปะสะกับอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาคืออนิจจารมณ์เมื่อพุ่งออกมาเป็นอาการปรทุสรายท่านเรียกว่าโทสะเมื่อผูกใจโกรธไม่ยอมให้หายไปเป็นอุปนาหะคือความผูกโกรธเมื่อคิดให้ศัตรูพินาศร่มจมล้มเจ็บเป็นต้นเป็นพยาบาท ความโกรธมีโทษทั้งแก่ตนและผู้อื่นดังได้พรรณนามาบ้างแล้วในเรื่องที่หนึ่งแห่งวักนี้อุบายเป็นเครื่องระงับความโกรธหรือวิธีละความโกรธก็ได้กล่าวมาแล้วในเรื่องที่หนึ่งในที่นี้จะอธิบายให้กว้างออกไปอีกตามสมควร 1. พึงชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธคนที่โกรธกันมีสาเหตุหลายอย่างอาจเพียงไม่ถูกตากันเฉยๆที่เรียกว่าสายตาไม่กินกัน พอเห็นเข้าก็ไม่พอใจไม่อยากเห็นอีกไม่อยากพูดด้วยไม่อยากสมเคราะห์อเอือ้อเฟื้อเมื่อไม่พอใจวงเล็บคืออรติสายตาก็แสดงออกในตาคนนั้นนอกจากจะใช้ในการดูแล้วยังใช้แสดงความรู้สึกอีกด้วยเส้นความรู้สึกเกลียดชังรักใคร่หมั่นไส้กินแหนงแคลงใจขยะขยงและโกรธเป็นต้นเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งเห็นดังนั้นก็ไม่พอใจ ด้วยต่างคนต่างเก่งไม่พูดกันบางทีถ้าจะถามว่าโกรธกันเรื่องอะไรก็ตอบไม่ได้ว่าเรื่องอะไรแต่ก็โกรธกันถ้าอีกฝ่ายหนึ่งไม่โกรธเสียอีกฝ่ายก็คงโกรธไปได้ไม่นานอย่างที่คําพังเพยไทยว่าตบมือข้างเดียวไม่ดังบางคนโกรธเพราะพรรคพวกเขาโกรธเช่นเมียโกรธใครผัวก็พลอยโกรธไปด้วยหรือผัวโกรธใครเมียก็พลอยโกรธด้วยอย่างนี้ จึงจะเรียกว่ารักกันจริงถามว่าโกรธเขาเรื่องอะไรตอบว่าไม่รู้เห็นเขาโกรธก็พลอยโกรธไปด้วยบางคนโกรธกันเพราะผลประโยชน์ขัดกันอันนี้สำคัญและทำให้คนเกลียดชังกันได้นานเมื่อผลประโยชน์ลงรอยกันได้ความโกรธก็หายไปความจริงเราโกรธเขาเกลียดชังเขาแต่ตัวเรานั่นแหละต้องเดือดร้อนก่อนเขาหรือมากกว่าเขายิ่งถ้าเขาเฉยเฉยไม่โกรธตอบ เราก็เดือดร้อนข้างเดียวเขาสบายกายสบายใจเราเอาความโกรธมาทำลายความสุขของเราเองมันเกิดขึ้นในตนแล้วทำลายตนของผู้นั้นท่านจึงสอนไม่ให้เราทำลายตนเองโดยยอมให้ความโกรธมีอำนาจเหนือข้อความต่อไปนี้เก็บจากหนังสือวิธีชนะทุกข์และสร้างสุขแบอบกว่าแต่งโดยเดลคาเนกี้ชาอเมริกัน แปลโดยอาสาขอจิตเมตสํานักพิมพ์ขอจิตเม ต, ม ต, เมตบทที่1ิผลร้ายของความโกรธแค้นระหว่างหน้า 291-310 เเถึงาม้เมื่อเรารู้สึกเกลียดชังศัตรูของเราก็แปลว่าเรายอมให้ศัตรูมีอำนาจเหนือเราโดยไม่รู้ตัวเป็นต้นว่ามีอำนาจเหนือการนอนของเราการเจริญอาหารของเราความดันโลหิตของเราสุขภาพของเราและความสุขของเรา ศัตรูของเราจะกระโดดโลดเต้นด้วยความยินดีอย่างไม่ต้องสงสัยถ้าเขาทราบว่าตัวเขาเป็นเหตุให้เราเกิดทุกข์ทรมานและเจ็บใจอย่างไรบ้างซึ่งดูคล้ายกับว่าเขาได้แก้แค้นเราในทางอ้อมดีๆนี่เองความเกลียดชังของเราไม่ได้เป็นอันตรายแก่ศัตรูของเราเลยแต่ความเกลียดชังนั้นจะหันมาเล่นงานเราและเปลี่ยนวันคืนของเราให้กลายเป็นนรกไป ถ้ามีบุคคลใดซึ่งเห็นแก่ตัวพยายามจะเอารัดเอาเปรียบท่านจงเลิกคบค้าสมาคมกับบุคคลนั้นๆแต่อย่าพยายามที่จะแก้แค้นเพราะเมื่อท่านต้องการจะแก้แค้นผู้ใดมันหมายถึงว่าท่านจะต้องรู้สึกเจ็บใจในเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้รู้สึกอย่างใดเลยผู้ที่อยู่ในอาการโกรธแค้นจะทำให้เกิดโรคโลหิต ด, ดันสูง และถ้าอาการโกรธแค้นนั้นเกาะแน่นอยู่ในใจโดยไม่รู้จักหายเขาผู้นั้นจะกลายเป็นโรคโลหิต ด, ดันสูงชนิดเดือดรังและจะเป็นโรคหัวใจพิการในอันดับต่อไปวิธีอันแน่นอนในอันที่จะอภัยโทษและลืมความโกรธแค้นต่อศัตรูของเขาก็คือฝังจิตฝังใจในวัตถุประสงค์ของเราให้อยู่เหนือกว่าตัวเราเองเมื่อเช่นนี้ การสศปะมาดและความเกลียดชังซึ่งเรารเผชิญจะไม่ทำให้เรารู้สึกอย่างใดเพราะเราไม่ได้คิดถึงสิ่งอื่นนอกจากวัตถุประสงค์ของเราเอปิคีตัดได้กล่าวเมื่อ19ศตวรรษมาแล้วว่าเราเก็บเกี่ยวจากสิ่งที่เราได้หวานมเมล็ดปลูกเอาไว้และโชคชะตามักจะบังคับให้เราชำระนี่ความชั่วของเราในวันใดวันหนึ่งข้างหน้า เอปิกีตัพูดมนุษย์ทุกคนจะต้องได้รับผลร้ายเป็นการตอบแทนกรรมชั่วของเขาท่านผู้ใดที่จำหลักความจริงีได้จงอย่าโกรธตอผู้ใดมีโทโซต่อผู้ใดด่โโผดดาผู้ใดโทษผู้ใ ด, ดหรือลงโทษผู้ใดขุนเคืองผู้ใดเกลียดชังผู้ใดเมื่อคนโกรธกลัวตื่นเต้นหรือกังวลผลอันแรกที่เห็นได้ชัดเจนคืออาหารไม่ย่อยแมวที่ถูกเยา้า ให้โกรธมีอาหารตกค้างอยู่ในกระเพาะตั้ง3ถึง6ชั่วโมงซึ่งถ้าอาหารเกิดบูดเน่าขึ้นมาทำให้ท้องเสียสำหรับความเสียใจหรือดีใจมากๆก็ทำให้งานของกระเพาะอาหารชะงักลงด้วยคนที่เศร้าโศกตื่นเต้นหรือมีเรื่องกังวลในใจเป็นเวลานานๆจะทำให้น้ำหนักตัวลดลงอย่างเห็นได้ชัดน้าตาลไกลโคเ่นซึ่งตับปล่อยออกมา เมื่อไม่ได้ใช้ก็จะออกปนมากับปัสสาวะโดยผ่านไตเขาเคยตรวจปัสสาวะของผู้เล่นฟุตบอลที่เป็นตัวสำรองพวกนี้ตื่นเต้นเท่าๆกับคนเล่นและปรากฏว่ามีน้ำตาลอยู่ในปัสสาวะมากกว่าธรรมดานักเรียนที่เข้าสอบไล่ครั้งสำคัญสาคัญและยากๆออกมาจากห้องสอบแล้วมีไคลโคเย็นในปัสสาวะซึ่งก่อนเข้าสอบไม่ปรากฏว่ามีการสึกหรอ ท, ทั่วไปของหัวใจเส้นโลหิต อารีแนวแกลนและอวัยวะภายในอื่นๆที่ทำงานเกินขีดปกติขณะที่คนมีอาเวกเป็นคงจะมาจากภาษาอังกฤษคําว่าภาษาทั่วไปใช้ว่าอารมณ์แต่ทางจิตวิทยาเห็นว่าอารมณ์ในภาษาไทยน่าจะตรงกับคำว่ามูดมากกว่าจึงเรียกใช้ emotion อาจเสียหายบาดเจ็บได้ถ้าสถานการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นบ่อยๆมากเกินควรโรคหลายอย่างที่ทำให้คนไร้ความสามารถไปเฉยๆส่วนมากเกิดจากคนเหล่านั้นมีอาเวกแรงๆเกิดขึ้นบ่อยๆเคยมีผู้ถามชาวเอลิออสอการบดีมหาวิทยาลัยฮาวาดเมื่อวันทาบุญบันเกิดครบ8ปปีว่าทไมจึงอายุยืนและแข็งแรงเช่นนี้ท่านตอบว่า ถ้าพระเจ้าเข้าใจว่าสิ่งสำคัญอันหนึ่งที่ทำให้เกิดความผาสุกและอนามัยดีคือการทำใจให้สงบไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะใดๆให้มากที่สุดเท่าที่ธรรมชาติของท่านจะยอมให้ท่านทำได้ท่านจะเห็นว่าไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรมไม่ว่าสาขาวิชาใดย่อมเห็นพ้องต้องกันว่าความโกรธเป็นอันตรายแก่ตนเองเป็นภัยแก่ผู้อื่นจึงต้องเอาชนะมันเอาชนะด้วยความไม่โกรธ จิตโกรธเกิดขึ้นเอาชนะด้วยจิตไม่โกรธคนอื่นโกรธเรามาเอาชนะด้วยไม่โกรธตอบเมื่อเราเห็นว่าความโกรธเป็นของไม่ดีก็ไม่จําเป็นจะต้องเก็บไว้ในเรื่องที่สองแห่งวรรนี้ก็ทรงสอนให้ข่มความโกรธแล้วค่าเสียในเรื่องที่หนึ่งแห่งวรรนี้ทรงสอนให้สละความโกรธเหมือนกันพระพุทธเจ้าเองก็ไม่เคยทรงโกรธใคร แม้เขาจะให้ร้ายป้ายสีถึงกับลงมือทำร้ายพระองค์แต่พระองค์ไม่เคยโกรธตอบไม่เคยคิดประทุษร้ายคนเหล่านั้นแพ้ภัยตนเองประสบเคราะห์กรรมด้วยตนเองปรากฏด้วยกรรมของตนเองต้องเก็บเกี่ยวผลจากเหตุที่เขาหวานวายเพราะฉะนั้นจึงสงสอนให้เอาชนะคนโกรธ ด, ด้วยความไม่โกรธการที่เราไม่โกรธตอบนั้นเขาจะกลับดีกับเราหรือไม่ก็ตามแต่ถือว่าเราชนะแล้ว หรืออย่างน้อยก็ชนะไปครึ่งหนึ่งแล้วถ้าเราไม่โกรธตอบแล้วทำความดีกับเขาเพิ่มเข้าอีกอย่างหนึ่งตามโอกาสก็เชื่อได้ว่าต้องชนะแน่ดังเช่นนางอุตราอุบาสิกาได้เอาชนะนางสิริมาดังจะเล่าไว้ในเรื่องประกอบข้างหน้า 2. พึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีคนไม่ดีเป็นอย่างไรพอรู้รู้กันอยู่ถ้าจะจากัดความตามทัศนทางพระพุทธศาสนาก็ว่า คนที่ประพฤติทุจริตทางกายวาจาใจเรียกว่าคนชั่วหรือคนพานคือคนไม่ดีอาการทุจริตทางกายเช่นการฆ่าการทุบตีการลักของเขาหรือเอาของผู้อื่นการประพฤติผิดในการเป็นต้นอาการประพฤติผิดหรือทุจริตทางวาจาเช่นการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคําหยาบพูดเพอเจอร์เหลวไหลอาการทุจริตทางใจคือความโลภ อยากได้ของคนอื่นการพยาบาทคนอื่นและความเห็นผิดจากทานองคองธรรมเช่นเห็นว่าทำดีไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่วเป็นต้นนี้ยกมาพอเป็นตัวอย่างอาการเหล่านี้ใครมีมากก็เป็นคนชั่วมากมีน้อยก็ชั่วน้อยคนที่มีชั่วน้อยดีกว่าท่านเรียกว่าเป็นคนดีส่วนคนดีน้อยชั่วมากเรียกว่าเป็นคนชั่วมนุษย์ที่ยังมีกิเลสก็ย่อมจะมีดีปนชั่วชั่วปนดีอยู่เสมอ ที่เขาเรียกกันว่าเป็นคนดีก็ต้องมีอะไรชั่วๆอยู่บ้างหรือคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนชั่วก็ต้องมีอะไรดีๆอยู่บ้างคนดีโดยประการทั้งปวงก็เห็นจะมีแต่พระอรหันต์เท่านั้นทีนี้พูดถึงคนธรรมดาสามัญคนดีก็มีหลายระดับเหมือนกันคือดีชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามเป็นต้นแล้วแต่เราจะเอาอะไรมาเป็นมาตรฐานวัด สมมติว่าเราเอากุศลกรรมบท10ดังกล่าวมาเป็นมาตรฐานวัดคนที่ทำได้ครบบริบูรณ์ก็เป็นคนดีชั้นที่1คนที่ทำได้ 75% เปเ็นป็นคนดีชั้นที่2คนทำได้ 50% เป็นต์เป็นคนดีชั้นที่3าดังนี้เป็นต้นคนทำาทําได้น้อยกว่า 50% าสิเเรียกว่าเป็นคนมีดีน้อยเมื่อดีน้อยก็ต้องชั่วมาก เรื่องดีเรื่องชั่วเป็นเรื่องที่พูดยากมีความสลับซับซ้อนมากและเป็นการยากยิ่งขึ้นที่จะตัดสินว่าใครเป็นคนดีใครเป็นคนชั่วเหตุผลก็คือคนดีล้วนก็หายากคนชั่วล้วนก็หายากขอตัดลัดไปยังปัญหาเรื่องการเอาชนะคนชั่วด้วยความดีหรือเอาชนะความชั่วด้วยความดีถามว่าความชั่วของใครความดีของใคร ถ้าเป็นความชั่วของเราเองแล้วก็เป็นการแน่นอนว่าเราต้องเอาชนะด้วยความดีของเราเองกล่าวให้สั้นคือเลิกทำชั่วและทำความดีหรือใช้เวลาทำความดีทั้งหมดจนไม่มีเวลาทำความชั่วแต่ถ้าเป็นความชั่วของคนอื่นก็ยากหน่อยที่จะเอาชนะด้วยความดีของเราจะต้องใช้เวลาใช้ความอดทนมากเขาจึงจะเห็นความดีของเราและเปลี่ยนใจเขาได้ เคยมีคนถามคงจื้อนักปราดและนักการเมืองชาวจีนว่าจะเอาชนะความชั่วด้วยอะไรคงจื้อตอบว่าต้องเอาชนะความชั่วหรือคนชั่วด้วยความยุติธรรมมีคนถามว่าทำไมไม่เอาชนะความชั่วด้วยความดีคงจื้อกล่าวว่าถ้าเอาชนะความชั่วด้วยความดีหรือตอบแทนความชั่วด้วยความดีซะแล้วจะตอบแทนความดีด้วยอะไรคงจื้อเป็นนักปราดจริง แต่ของจื้อเป็นนักการเมืองด้วยนักการเมืองต้องตอบแทนความชั่วด้วยความยุติธรรมคือต้องฆ่าคนที่ควรฆ่าต้องขังคนที่ควรขังในประเทศคนที่ควรในประเทศไม่ทาอย่างนั้นก็ปกครองเมืองไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าทรงเป็นปราชญ์และเป็นศาสดาทรงเป็นนักการศาสนาไม่เกี่ยวข้องด้วยการเมืองอย่างเด็ดขาดเพราะฉะนั้นคาสอนของพระพุทธเจ้าจึงมีเอกลักษณ์พิเศษ คือให้ทำความดีให้ยึดมั่นในความดีอะไรจะเป็นอย่างไรก็ตามหน้าที่ของเราคือยึดมั่นในความดีใครจะคิดร้ายเบียดเบียนเราก็ตามใจเขาแต่เราต้องไม่คิดร้ายเบียดเบียนเราต้องดำรงตนให้ดีอยู่เสมอเขาดีมาเราก็ดีไปเขาชั่วมาเราก็ดีไปให้ถืออาวุธอยู่อย่างเดียวคือดีพระเยซูแห่งพิทส์ศาสนา ก็ทรงอยู่ในลักษณะนี้เหมือนกันคือให้ทำความดีกับคนไม่เลือกหน้าไม่ว่ามิตรหรือศัตรูทรงสอนให้รักศัตรูซะอีกมีคนได้ช น, นะคนชั่วด้วยความดีมามากแล้วทั้งในอดีตและปัจจุบันขออย่างเดียวว่าให้ทำความดีนั้นอย่างสม่าเสมอตัวอย่างที่ดีที่สุดก็คือพระพุทธประวัตินั่นเองได้ทรงชนะคนร้ายคนชั่วด้วยความดีของพระองค์ตลอดมา ใจชั่วของผู้อื่นเมื่อได้มาสัมผัสกับใจดีความดีอย่างสม่ำเสมอของเราเข้าไม่ช้าก็สามารถเปลี่ยนไปได้ที่เอาชนะไม่ได้นั้นเพราะเหตุประการเดียวคือเราทำไม่จริงได้เคยคิดหาวิธีอื่นในการเอาชนะคนชั่วก็ยังมองไม่เห็นว่ามีวิธีใดที่ดีกว่าที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ตกลงว่าวิธีที่ดีที่สุดในการนี้คือเอาชนะคนชั่วด้วยความดี อาจมีวิธีอื่นอยู่บ้างเหมือนกันแต่ไม่ดีเท่านี้คนชั่วจะต้องละอายใจจนไม่สามารถจะชั่วอยู่ต่อไปได้เมื่อมาพบกับความดีอย่างจริงจังเข้า 3. ชนะคนตระหนี่ด้วยการให้ความตระหนี่คือการที่เก็บเงินทรัพย์สมบัติไว้ไม่ยอมใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ตนหรือผู้อื่น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 คนประกอบด้วยอาการแห่งความตระหนี่เรียกว่าผู้ตระหนี่คนตระหนี่คงจะมีความสุขความคลื้มใจที่ได้เก็บของไว้ดูหรืออย่างน้อยที่สุดก็ให้เกิดความพอใจว่าของเรามีคนตระหนี่ไม่รู้จักเอื้อเฟื้อแม่แก่ตนเองแล้วจะเอื้อเฟื้อผู้อื่นได้อย่างไรแต่หัวใจคนอาจให้อ่อนลงได้ด้วยการเอื้อเฟื้อแบ่งปัน เมื่อเราให้เขาบ่อยๆเข้าเขาก็คงละอายที่จะไม่ให้เราบ้างเมื่อได้หัดให้เสียครั้งหนึ่งแล้วรู้สึกมีความสุขใจอาจให้อีกเป็นครั้งที่สองครั้งที่สเพราะกฎทางจิตติวิทยามีอยู่ว่าความรู้สึกสุขเป็นเหตุให้ทําซ้ําการแบ่งปันเป็นเครื่องผูกมิตรเป็นเครื่องมือทําคนใจแข็งให้ใจอ่อนเพราะฉะนั้นภาษาสดาจึงตัดว่าทานเป็นเครื่องฝึกคนที่ยังไม่ได้รับการฝึก ยังประโยชน์ทุกอย่างให้สาเร็จทายกย่อมบันเทิงด้วยการให้ฝ่ายผู้รับย่อมนอบน้อมถนอมน้ำใจด้วยการกล่าววาจาน่ารัก 4. ชนะคนพูดหล่อแหละด้วยคำจริงคำพูดหลอแหละคือคำเหลวไหลไร้สาระอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งคือคำคลาดเคลื่อนจากคำมั่นสัญญาสัญญาไว้อย่างใดแล้วไม่ทาตามสัญญานั้น เป็นเหตุให้คู่สัญญาได้รับความเสียหายหรือเสียเวลาในการรอคอยเมื่อคนหล่อแหลกไม่มาตามนัดคนพูดหล่อแหละย่อมมาจากใจที่หล่อแหลกเพราะสิ่งทั้งปวงเริ่มต้นที่ใจเมื่อใจจริงใจซื่อตรงวาจาก็ต้องจริงและซื่อตรงด้วยเมื่อใจสงบกายวาจาก็พอยสงบด้วยดังพระพุทธภาษิตว่าสันตังตัสะมะนังโหติสันตาวาจาจะกรรมวจ่า แปลว่าเมื่อใจของเขาสงบสุขกายวาจาของเขาก็ต้องสงบด้วยใครมาพูดเหลาะแหละกับเราถ้าเราไม่ยอมพูดเหลาะแหลกด้วยเราพูดแต่วาจาที่มีประโยชน์อิงอาศัยอัดอาศัยธรรมพูดถูกเรื่องถูกการอยู่เสมอเขาก็เกรงใจไปเองตอนหลังจะไม่กล้าพูดเหลอกแหละกับเราในทรรนองเดียวกันใครมาพูดเล่นกับเราถ้าเราไม่ยอมพูดเล่นด้วยเขาก็จะเลิกราไปเองถ้าบังเอิญล่วงเกิน เราไปบ้างเขาก็ต้องเสียใจและขอโทษดังนี้เป็นต้นการเอาชนะคนพูดรลอนแหละด้วยคำจริงนี้ดูมันจะทำได้ง่ายกว่า3าประการต้นแต่ทั้งนี้ก็สุดแล้วแต่อัธยาศัยนิสัยและความโน้มเอียงของแต่ละคนคำจริงนั้นที่พระอริยเจ้าสันเสริญต้องเป็นคำจริงที่มีประโยชน์ประกอบด้วยธรรมคือไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนหรือผู้อื่นให้เดือดร้อน ถ้านัดหมายกับใครไว้ว่าจะไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกาลและไม่ทําตามสัญญานั้นอย่างนี้ดีไม่มีโทษแม้จะไม่ปฏิบัติตามสัญญาก็จริงแต่บัณฑิตท่านไม่ตําหนิเพราะได้กระทําสิ่งอันเกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายตรงกันข้ามการพูดสัจจะและการรักษาสัจจะอันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนและผู้อื่นบัณฑิตท่านไม่สรรเสริญเพราะฉะนั้นผู้จะยึดมั่นในคําสัต์จึงต้องระวังไม่ให้คําสัต์ ไปทําความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นโดยไม่จําเป็นต้องเลือกการเลือกเวลาเลือกสถานที่และเลือกบุคคลพูดด้วยจึงจะสำเร็จประโยชน์สมความมุ่งหมายพระศาสดาทรงสแสดงชัยชนะสประการนี้เพราะทรงปรารบนางอุตราอุบาสิกาและนางศิริมามีเรื่องย่อดังต่อไปนี้เรื่องที่เกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ที่เวลุวันเมืองราชฤท์ครั้งนั้นมีคนขัดสนคนหนึ่งชื่อปุณณนะ อยู่ในเมืองราชครินั้นพร้อมด้วยภรยาและลูกหญิงเขาเป็นลูกจ้างของสมณะเศรษฐีต่อมาวันหนึ่งทางกรุงราชคริได้จัดให้มีงานสนุกรื่นเริงเป็นทางราชการคงจะเหมือนงานลอยกระทงของเราอะไอย่างนั้นเป็นเวลาเจวันสมณะเศรษฐีฟังคําประกาศของทางราชการแล้วเรียกนายปุณณะมาพูดว่าบริวารชนของเราจะจัดงานรื่นเริงกันเจ้าจะร่วมกับเขาด้วยหรือไม่ นายปุณณะตอบว่าการจัดงานเื่นเริงต้องเสียทรัพย์มากเป็นเรื่องของคนมีทรัพย์เขาจัดทำกันกระผมเป็นคนยากจนแม้ข้าวสารจะหุงต้มเลี้ยงบุตรภรรยาในวันพรุ่งนี้ก็ไม่มีกระผมจะร่วมงานเื่นเริงได้อย่างไรกระผมขอไปไถนาตามปกติคำตอบของนายปุณณะน่าจะเป็นตัวอย่างอันดีสําหรับคนจนที่อยากสนุก เศรษฐีมอบโคให้เขาไปไถนาเขาได้โคแล้วสั่งภรรยาว่าวันนี้ชาวเมืองเขาหยุดงานประจำรื่นเริงกันแต่เราเป็นคนจนทําอย่างเขาไม่ได้ฉันจะไปไถนาวันนี้เธอต้มผักไปส่งฉันก็แล้วกันและขอให้ต้มสักสองเท่าวันนั้นพระสารีบุตรเทระออกจากนิโรธสมาบัติแล้วตรวจดูว่าวันนี้เราควรไปสงเคราะรห์ไข่เนอเห็นนายปุณณะเข้าไปในข่ายคือยานของท่าน ท่านใคร่ครวญต่อไปว่าเขามีศรัทธาหรือไม่หนอเขาสามารถสงเคราะห์เราหรือไม่หนอได้ทราบว่าเขามีศรัทธาและสามารถสงเคราะห์ท่านได้เมื่อเขาได้ถวายอาหารท่านแล้วจะได้สมบัติใหญ่เพราะผลแห่งบุญนั้นจึงถือบาทและจีวรไปยังที่ที่นายปุณะไถนายอยู่เขาเห็นพระเถระแล้ววางไถมาไหว้ท่านคิดได้ว่าท่านคงต้องการไม้สีฝันจึงทําไม้สีฝันถวาย ไม้สีฟันที่กล่าวถึงในที่นี้หมายถึงกิ่งไม้ข่อยหรือไม้สะเดาแม้ปัจจุบันนี้ก็ใช้กันทั่วไปในอินเดียในตลาดก็มีคนยากจนจะใช้ไม้นี้แทนแปรงและยาสีฟันบ่งเล็บบาลีว่าทําเป็นกัปยะคือทําให้ท่านใช้การได้พระเถระนำเอาบาตและผ้ากรองน้ำมาให้เขาเขาคิดว่า พระเถระต้องการน้ําดื่มจึงรับเอาบาตรและผ้ากรองน้ําไปกรองน้ําถวายพระสารีบุตรคิดว่านายปุณณะนี้มีเรือนอยู่ด้านหลังเรือนของคนอื่นถ้าเราจะไปสู่ประตูเรือนของเขาภรยาของนายปุณณนะจกไม่เห็นเราเราจะอยู่ณนะที่นี้แหละจนกว่าภรยาของเขาจากนําอาหารมาพระเถระรออยู่ครู่หนึ่งทราบว่าภรรยาของนายปุณณนะกําลังเดินมาตามทาง วงเล็บทราบด้วยญาณจึงออกเดินทางมุ่งหน้าไปทางพระนครภรรยาของนายปุณณนะพบท่านในระหว่างทางแล้วคิดว่าบางคราวเมื่อมีทายธรรมเราไม่พบพระผู้เป็นเจ้าบางคราวพบพระผู้เป็นเจ้าแต่ไม่มีทยธรรมวันนี้เราได้พบพระผู้เป็นเจ้าและทายธรรมของเราก็มีพระผู้เป็นเจ้าจะสงเคราะห์เราหรือไม่นอนางวางภาชนะใส่พัดลงแล้ว ไหว้พระเถระพรางกล่าวว่าท่านผู้เจริญพระผู้เป็นเจ้าโปรดอย่าคิดว่าอาหารนี้เลวหรือประนีตขอได้โปรดรับอาหารนี้เพื่อสงเคราะห์แก่ธาตุของท่านด้วยเถิดพระเถระน้อมบาทเข้าไปเมื่อนางเกลียพัดลงในบาทเพียงครึ่งเดียวพระเถระเอามือปิดบาทเสียเป็นธรานองว่าเท่านี้พอแล้วนางจึงกล่าวว่าพระคุณเจ้าอาหารเพียงส่วนเดียวดิฉันไม่สามารถ ทำให้เป็นสองส่วนได้ท่านไม่ต้องสงเคราะห์ดิฉันในโลกนี้ดอกขอกรุณาสงเคราะห์ดิฉันในโลกหน้าเถิดดิฉันขอถวายทั้งหมดดังนี้แล้วกิริยพัฒทั้งหมดลงในบาทของพระเทระแล้วตั้งความปรารถนาว่าดิฉันพึงได้เห็นธรรมที่พระคุณเจ้าเห็นแล้วด้วยเถิดพระเทระกล่าวว่าขอจงสําเร็จเถิดยืนอยู่ตรงนั่นเอง ทำอนุโมทนาแล้วทำพัฒกิจณที่อันสะดวกด้วยน้ำแห่งหนึ่งนางต้องกลับไปบ้านเพื่อหุงข้าวใหม่มาให้ใ น, นนะายนปุณณะฝ่ายนายปุณณะไถนาไปได้ครึ่งกรีดหิวจนทนไม่ไหวจึงปล่อยโคเข้าไปนั่งใต้ร่มไม้แห่งหนึ่งคอยอาหารอยู่ภรรยาของเขาถือพัดมาตอนสายมากแล้วเกรงว่าเขาจะหิวมาก จนจิตใจกระวนกระวายโกรธนางหรืออาจเอาด้ามประตักทำร้ายนางหากเป็นดังนั้นกรรมที่นางทำแล้วก็จะไม่เป็นประโยชน์แก่เขาดังนั้นนางจึงรีบบอกทันทีเมื่อมาถึงว่านายท่านจงทำจิตให้ผ่องใสวันหนึ่งเถิดอย่าได้ทำกรรมที่ฉันทำแล้วให้ไร้ประโยชน์ฉันได้นำอาหารมาให้ท่านแต่เช้าตรู่ พบพระธรมะรมเสนาบดีระหว่างทางจึงได้ถวายพัดส่วนของท่านแก่พระเถระแล้วไปหุงใหม่จึงมาสายอย่างนี้ท่านจงทําใจให้เลื่อมใสเถิดนายปุณณะถามซ้ําอีกครั้งว่าเมื่อได้รับการยืนยันอย่างเดิมจึงกล่าวว่าเธอทําดีแล้วทีเดียวที่ได้ถวายพัดแด่พระผู้เป็นเจ้าสารีบุตรเมื่อเช้านี้ฉันยังได้ถวายน้ําบ้วนปากและไม้ชําระฟันแก่ท่านเขาทั้งสองมีจิตเลื่อมใส เพลิดเพลินในถ้อยคำของกันและกันนายปุณะอ่อนเพลียามากเพราะหิวจึงเอาศีรษะพาดตักภรรยาแล้วหลับไปดินกลายเป็นทองคำนายปุณะตื่นขึ้นมองไปทางนาที่ไถไว้ที่นั้นปรากฏแก่เขาเป็นทองคำสุกปรัง่งเขาไม่แน่ใจจึงกล่าวกับภรรยาว่านางช่วยดูทีเถิดฉันหิวมากอาจจะตาลายไปเธอดูซิว่ารอยไถ ท, ที่ฉันไถไว้เป็นดินหรือเป็นทองคา ภระยาของเขามองไปก็เห็นเป็นทองคำเหมือนกันทั้งสองจึงเดินไปดูหยิบก้อนทองนั้นฟาดกับงอนไถจึงรู้แน่ว่าเป็นทองคำเขาอุทานออกมาด้วยความเบิกบานใจว่าโอ้ทยธรรมที่เราถวายแก่พระธรรมเสนาบดีให้ผลในวันนี้ทีเดียวอัศจรรย์แท้แต่เราไม่อาจปกปิดสักมากมายอย่างนี้ได้เราควรกราบทูลพระราชาดังนี้แล้ว เอาทองคําจํานวนหนึ่งใส่ถาดแล้วไปสู่ราชสํานักเข้าพบพระราชาทูลเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบและขอให้พระราชาให้ราชบุรุษไปขนทรัพย์มาพระราชาให้นำเกวียนไปหลายเล่มเมื่อราชบุตรหยิบก้อนทองพรางกล่าวว่าเป็นทรัพย์ของพระราชาทองนั้นได้กลายเป็นก้อนดินพวกนั้นกลับไปกราบทูลพระราชาว่านายปุณณะและภรรยาคงจะหลอกลวง พระราชาตัดถามว่าเมื่อเก็บทองพูดอย่างไรพวกราชบุรุษทูลว่าพูดว่าทรัพย์ของพระราชาพระองค์จึงตัดบอกให้พูดเสี้ยใหม่ว่านี้เป็นทรัพย์ของนายปุณณนะราชบุรุษได้นาทองคำนั้นทั้งหมดมากองไว้ที่พระลานหลวงเป็นกองสูงประมาณแปดสิบศอกพระราชารับสั่งให้ประชาชนประชุมกันที่พระานห ล, ลวง รับสั่งถามว่าในนครนี้ใครมีทองมากเท่านี้บ้างเมื่อทรงทราบว่าไม่มีจึงทรงตั้งนายปุณณนะในตำแหน่งเศรษฐีชื่อพระหุธนะเศรษฐีได้พระราชทานฉัดสำหรับเศรษฐีแก่เขาพร้อมด้วยโภคะมากมายเขาได้กราบทูลพระราชาว่าเวลานี้เขายัางอาศัยเรือนของสุมาณะเศรษฐีอยู่ขอให้พระราชาพระราชทานที่อยู่ให้เขาด้วยพระราชาได้พระราชทานที่แห่งหนึ่ง ให้ปลูกบ้านเมื่อปลูกบ้านเสร็จแล้วเศรษฐีได้จัดงานขึ้นบ้านใหม่และงานฉัดมงคลคือฉลองสัตว์พระราชท า, านถวายทานแด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขภาษาสดาทรงอนุโมทนาด้วยอนุปพิกถฐาเมื่อจบธรรมกถาเขาทั้งสามคือพระหุธนะเศรษฐีบงเล็บคือนอายปุณณนะภรรยาและธิดาชื่ออุตราได้บรรลุโสดาปติพน ต่อมาสมนะเศรษฐีสู่ขออุตระธิดาของปุณณะให้บุตรชายของตนแต่ปุณณะเศรษฐีไม่ยอมยกให้สมณะอ้างถึงบุญคุณเก่าว่าได้เคยอาศัยเขาอยู่ตลอดมาจนได้สมบัติเิ็นป่านนี้ควรจะยอมให้บุตรีได้แต่งงานกับบุตรชายของตนปุณณะเศรษฐีกล่าวว่าบุตรของท่านเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่เลื่อมใสในพระตนตรัยส่วนบุตรีของผมเหินห่าง พระธนไตรไม่ได้ด้วยเหตุนี้ผมจึงให้ลูกสาวแต่งงานกับบุตรของท่านไม่ได้ครั้งนั้นพักพวกของสมณะเศรษฐีได้ช่วยกันอ้อนวอนมากจนปุณณะเศรษฐีต้องยอมและจัดพิธีแต่งงานในวันเพ็ญเดือนอาสาละหะจำเดิมแต่แต่งงานแล้วอุตรามิได้ทำบุญทำทานอะไรเลยไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้สนทนากับภิกษุภิกษุณีเหลือเวลาอีกครึ่งเดือนจะออกพรรษานางสงสารไปถึงบิดา การที่ให้ลูกเสียโฉมแล้วทำให้เป็นทาสของคนอื่นยังประเสริฐกว่าการมาตกอยู่ในฐานะเป็นภรรยาของเศรษฐีที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นปานนีตั้งแต่ลูกมาเป็นสะพ้ายของบ้านนี้แล้วไม่เคยได้ทำบุญให้ทานไม่เคยได้ฟังธรรมไม่เคยแม้แต่จะได้เห็นภิกษุสงฆ์ปุณณะเศรษฐีได้รับสารของทิดาแล้วร้อนใจไม่สบายใจด้วยรู้สึกว่าธิดาของตนมีความทุกข์ จึงได้ส่งรัพไปให้หนึ่งหมื่นห้าพันกหาปณ ะ, ะพร้อมด้วยเขียนแนะางไปว่าในนคร น, นี้มีหญิงนครโสเพณีคนหนึ่งชื่อสิริมาเจ้าจงจ้างเธอมาวันละพันกหาปณ ะ, ะให้บำเริสามีส่วนเจ้าเองจะได้ทำบุญฟังธรรมตามต้องการสามีของนางอุตราได้เห็นรูปโฉมโนมพันของสิริมาแล้วก็พอใจจึงยินยอม อุตรานิมนต์พระสงฆ์มิพระพุทธเจ้าเป็นประมุขขอให้ทรงรับอาหารที่บ้านของนางเป็นเวลาสิบห้าวันติดต่อกันพระศาสดาทรงรับอุตราดีใจที่ได้ทำบุญและฟังธรรมจึงจัดแจงทยธรรมและสั่งคนให้ทำของถวายพระมากมายเข้าครัวเองสั่งให้คนช้ทำอาหารว่าจงทำข้าวต้มอย่างนี้นึงขนมอย่างนี้เป็นต้นวันรุ่งขึ้นจะออกพรรษา สามีของนางยืนอยู่ที่หน้าต่างดูนางอุตราในครัวใหญ่กำลังบงการให้คนทำนั่นทำนี่เขาเห็นอุตราขมุกขมอมไปด้วยเหงื่อเปรอะด้วยขี้เท่ามอมแแ ม, มด้วยฐานและขมเมาเที่ยวจัดนั่นจัดนี่อยู่เขาคิดว่านางอันพานเอ้ยไม่รู้จักเสวยสมบัติเห็นป่านนี้ในฐานะอย่างนี้กลับมีจิตยินดีเที่ยวจัดแจงของอุปถาก พ, พวกสมนะศีษะโลน จึงหัวเราะแล้วหลบไปเมื่อบุตรเศรษฐีสามีของอุตราลบไปแล้วนางสิริมาซึ่งยืนอยู่ไม่ไกลได้เห็นอาการหัวเราะของเขาแล้วคิดว่าเขาหัวเราะอะไรหนอไปที่หน้าต่างมองลงไปในครัวเห็นอุตราแล้วเข้าใจว่าบุตรเศรษฐีเห็นอุตราแล้วจึงหัวเราะเขาคงมีเยื่อใหญ่ในการชิดชมกันเป็นแน่แท้ ความจริงศิริมาเป็นคนภายนอกเขาจ้างมาชั่วคราวอยู่เพียง15้าวันก็เข้าใจผิดคิดว่าตนเป็นภรยาอันถูกต้องของบุตรเศรษฐีเข้าใจว่าตนเป็นแม่บ้านจอมเรือนเห็นอุตตราเป็นคนภายนอกผู้อาศัยไปเรื่องทํานองนี้สร้างความเข้าใจผิดให้แก่สตรีได้เสมอศิริมาคิดว่าจะก่อทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่อุตตราจึงลงจากปราศาสตร์ เข้าไปในครัวใหญ่เอาทับพีตักเนยใสที่กำลังเดือดพล่านในกระทะขนมถือไปหานางอุตราอุตลาเห็นแล้วแผ่เมตตาไปว่าหญิงสหายคนนี้มีอุปการะต่อเรามากจั ก, กรวาลแคบไปพรมโรคต่ำไปสำหรับบรรจุบุญคุณของเธอเราได้อาศัยเธอแล้วจึงได้ถวายทานและฟังธรรมถ้าเรามีความโกรธต่อนางสิริมา ขอให้เนยใสนี้จงลวกเราถ้าไม่มีขอเนอยใสอย่าลวกเราเลยเมื่อนางสริมาราดเนยใสลงบนศรีรษะของอุตรานั้นมันเป็นเหมือนน้ำเย็นสริมาเข้าใจว่าเนายใสคงเย็นจึงไปตักมาอีกทาสีของอุตราเห็นดังนั้นจึงคุกคามสริมาว่านางหัวดือเจ้าจงหลีกไปเจ้าไม่ควรทำแม่เจ้าของเราอย่างนี้ ช่วยกันทุบตีจนสิริมาล้มลงไปอยู่กับพื้นอุตราห้ามไม่ทันเพราะทาสีมากคนด้วยกันกำลังบันดาลโทสะขณะที่พวกทาสีกำลังคล่อมสิริมาอยู่นั่นเองอุตราจึงห้ามเสียไม่ให้พวกเขาทำร้ายสิริมาให้โอวาดสิริมาให้อาบด้วยน้ำอุ่นทาน้ำมันที่เป็นยาให้นางสิริมารู้สึกตัวว่าเป็นคนภายนอกรับจ้างเขาบารุงบําเรอสามีเอาเนยใสยรสศีระของเขา เพียงแต่เพราะได้เห็นสามีของเขาหัวเราะเราทำกมหนักเสียแล้วแต่นางอุตรากลับมีความกรุณาในเราห้ามพวกทาสีที่ทำร้ายเราถ้าเราไม่ขอขมาสติเช่นนี้ศีรษะของเราจะแตกเป็นเจ็ดเสียงนางบอบลงแทบเท้าของอุตราและกล่าวว่าขอคุณแม่จงยกโทษให้ดิฉันเถิด อุตรากล่าวว่าฉันเป็นคนมีบิดาเมื่อบิดาอดโทษแล้วฉันจึงจะยกโทษให้ได้ดิฉันจะให้ท่านปุณณเสตถียกโทษให้สิริมากล่าวท่านปุณณเสถิเป็นบิดาของฉันในวัตฏะแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบิดาในวิวัตตะเมื่อพระองค์ท่านอดโทษให้ฉันก็อดโทษให้แต่ดิฉันไม่คุ้นเคยกับพระองค์ท่านเลยสิริมาข้อนั้นไม่เป็นไรฉันจะช่วย พรุ่งนี้พระองค์พร้อมด้วยพระสงฆ์บริวารจะเสด็จมาเสวยและชันที่นี่ท่านจงถือสการะเท่าที่จะหาได้แล้วขอให้พระองค์อดโทษอุตรากล่าวในที่สุดสิมาเต็มใจทากลับไปบ้านสั่งยิงบริวารให้จัดหาขาธนิยะโพชนิยาหารอันปราณีตรุ่งขึ้นได้นำเอาเครื่องสการะเหล่านั้นมาสู่เรือนของอุตราแต่ไม่กล้าใส่บาดภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุก อุตตราจึงรับเอาของนั้นมาจัดแจงเองเมื่อเสร็จพัตกิจตริมาพร้อมด้วยบริวารหมอบลงแท้พระบาทพระาศาสดาเธอมีความผิดอะไรพระาศาสดาตัดถามศริมาทูลเล่าเรื่องทั้งปวงถวายจริงหรืออุตตราพระทศพลตัดถามอุตรราจริงอย่างนั้นพระเจ้าข่าพระาศาสดาทรงอนุโมทนาสาธุ ก, การในการกระทําของอุตตราแล้วตรัสพระคาถาพุทธภาษิต ดังที่ยกวายนะเบื้องต้นนั้นว่าพึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธเป็นอาธิมีนยะรังพรนานามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาสิริมาพร้อมด้วยบริวารได้บรรลุโสดาปฏิผลอยังธรรมกะถาสาายสมันเตหิสันลเเคตพภะติ ก็คิดเยอะนะละเอียดมากความดีความชั่วเรื่องความโกรธความผูกโกรธความอาฆาตพยาบาทมาร้ายมันไม่มีคุณอะไรแก่ตนเลยแถมประทุสลายตนอีกอย่างที่ไม่รู้ตัวไม่โกรธได้ก็เป็นสุขทั้งในปัจจุบันและอนาคตและ ถ้าโกรธมักโกรธก็ทุกข์ทั้งปัจจุบันและอนาคตยนี่ยิงไปผูกพยาบาทไว้ผูกโกรธไว้นี่ก็ยิ่งยาวนานนี่ท่านบอกลักษณะไว้เหมือนกันนะคนมักโกรธนีก่อนที่จะมาเกิดเป็นอะไรใครว่าท่านมีว่าเหมือนกันนะีคนขี่มักโกรดคนที่ไม่มักโกรธก็มีที่มาเหมือนกันเน คนชอบโกรธเขาว่าชาติก่อนเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่อะไรนิดอะไรหน่อยก็ไม่ได้นี่นี่คือมันสัตว์เดรัจฉานไม่มีสติปัญญาพอที่จะรู้ผิดชอบชั่วดีดได้นี่นี่พอไม่พอใจมันโกรธเล ย, เยสัตว์ที่เจ้าของรักมากๆถ้ามันโกรธมาแบบนีกัดเจ้าของเหมือนนี่นั่นคือลักษณะของสัตว์เดรัจฉานเนี่นี่ข่าวบ่อยๆเห็นไหม แม่ต่เลียงสุงนักไว้เนี่ยกัดเจ้าของเลยข่าวสลดใจครั้งหนึ่งไปไปทางเหนือนี่กัดเจ้าของจนเหลือแต่หัวกระโหลกมันถลอกหนังออกมดเลยโอ้โหพันอะไรรถไวเลอร์ะไรืออะไรเรียกไม่ถูกขนาดเลี้ยงกันมาเรื่องของเรื่องก็คือมันมีลูกสองตัวมันคงนึกยังไงไม่รู้เจ้าของก็เลี้ยงกันเนีย กัดพอได้กัดแล้วก็วมันสัตว์เดรัจฉานมันก็มันมันคิดว่าผิดแล้วมันก็ได้เอาถึงที่สุดของมันมันกลัวผิดนั่นแหละมันก็ได้ทําผิดต่อไปนั้นลักษณะของสัตว์เดรัจฉานนั้นคนมักโกรธนี่นะท่านว่าเคยเป็นสัตว์เดรัจฉานมาสังสมมานานโกรธคนที่ไม่โกรธนี้มาจากพรหมมางั้นาจากพรหมมีเมตตากรุณาคนที่ ทำให้โกรธอย่างไรก็รู้ไม่ได้หมายความว่าไม่มีความโกรธมีความโกรธแต่รู้ว่ามันไม่ดีนี่ก็เลยหาวิธีทำดีแก้โกรธเพื่ออะไรเพื่อความสุขของตนเองได้เพื่อบรรเทาความโกรธของคนผู้ที่โกรธด้วยนี่ถ้าฝ่ายหนึ่งโกรธฝ่ายหนึ่งก็โกรธด้วยนี่เราก็เห็นง่ายอยู่แล้วนมันไม่ดีเราก็สร้างกรรมสร้างเวรอยู่แล้ว เอ้เราเป็นปุถุชนมากจะพูดคํานี้เหมือนกันนะเราไม่ใช่พระละหันเนาก็ไม่ใช่พระละหันพระละหันก็ไม่ต้องพูดได้กันมากแล้วก็ไม่ใช่พระละหันนี่แล้วทำโกดให้มันลดน้อยลงก็ให้มันน้อยหรือจะให้มันเพิ่มขึ้นเลยไม่ใช่พระละหันก็จะเอาให้เห็นดําเห็นแดงกันเลยมันก็หมดเลยทีนี่นั่ต่ำไปถึงไหนก็ไม่รู้นี่ยนี่ท่านอธิบายทุกแง่ทุกมุมเลยนี่แล้ววิธีการอะไรกัน ที่จะระ ง, งับความโกรธหรื อ, อกรรมที่เพราะความโกรธเป็นเหตุนอานิสงส์ของความโกรธนและอานิสงส์ของความไม่โกรธเนผลของกรรมที่ความไม่โกรธก็มีรายละเอียดหมดเลยเนี่ยแล้วก็ที่น่าคิดก็คือความโกรธนี่บันทอนสุขภาพเพียนไม่ตนว่าโอ้โหมันร้กาดขนาดนั้ น, นก็เห็นได้ชัดโอ้ ถ้าโกรธนานเนี่ยอาหารไม่ย่อยนะน่าคิดด้เนี่ก็อาหารไม่ย่อยอาหารบูดด้วยวันนี้ผมยังพูดถึงพอดีไปอ่านข้อความหนึ่งถ้าอาหารไม่ย่อยหมักห ม, มมอยู่ในลำไส้หมักห ม, มมนานก็ถ้าสีชั่วโมงแล้วนี่มันยังไม่ถูกขับถ่ายนี้ถ้าโกรธเข้าไปอีกนี่เพิ่มเข้ามาอีกสีชั่วโมงนี้หมักห ม, มมอยู่ในมัน ก, ก็เน่าเน่าแล้วก็อาหารเป็นพิษในลำไส้นี่นี่หลักศรีละหลักแพทย์กขาเนะ่ เมื่อมันเน่ามันไม่ถูกขับออกเนี่ยหัวใจมันทำงานนี่สารที่มันบูดมันเน่านีมันซึมซับเข้าไปโลหิตก็เป็นพิษเนี่ยโลหิตเป็นพิษหัวใจสูบเสร็จโลหิตเป็นพิษเข้าไปอะไรจะเกิดขึ้นนี่มันก็เลยล้วนไปหมดโรคที่ไม่เกิดก็ทำให้เกิดขึ้น น, นี่โทษมันถึงขนาดขนาดเขาไม่ใช่พุทธศาสนาเขาไม่เป็นชาวพุทธนี่ อย่างนักวิทยาศาสตร์เขาก็ยังพูดตรงกันเลยเนี่ยตรงกันว่าความโกรธนี้อย่างน้อยเขาก็บ่งบอกถึงอานิสงส์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยนี่ถ้าคนโกรธเนี่ยสุขภาพกายเป็นอย่างไรนี่นำมาซึ่งโรคอายุสั้นเนี่ยอายุไม่ยืนเนี่ยโรคภัยต่างๆก็เกิดขึ้นเนี่ยหรือบางทีโกรธมากๆอาจจะช็อกไปก่อนนะยังไม่ได้ คนที่เราโกรธเขายังไม่รู้เรื่องทางนี้ช็อกตายไปก่อนก็มีเลยโกรธเขามากเกินไปมันไม่ดีมันมีโทษขนาดนั้นนี่นั่นก็เรียกว่าเรายังไม่ทาอะไรเขาเลย เ, ลยเราฆ่าตนเองนะี่เป็นการฆ่าตนเองไปในตัวเลยโกรธมากจนสัน่นจนทนไม่ได้นี่นี่มอนก็ตัวอย่างที่ท่านไม่โกรธมีเยอะแยะเลยเนะี่ยวันนี้ผมนั่งฟังแผ่นหนึ่งดิ ก็เราคงเคยได้ฟังมาแล้วทัา้าว่ากล่าวถึงเรื่องนี้เหมือนกันเรื่องความโกรธปรทุสร า, ายเนี่ยท่านก็ยกเก่ทาทั้งพระพุทธเจ้าและภาษาลีบุตรเนี่ยที่ถูกประหัตประหารนี่ยถูกประหารท่านก็เฉยตีท่านท่านก็เดินเฉยท่านไม่ทำอะไรคืนไม่โทษแม้แต่คำพูด่นก็ไม่พูดคนก็ก็ตีสมใจท่านแลาวก็เดินเฉยไป เดือดร้อนเองเนีเดือดร้อนเองพอเดินไปตายแล้วเนี่ยเราพอทุศร้ายบุคคลที่ไม่พอทุศร้ายเนี่ยเราจะมีกำหนักขนาดไหน น, นึกได้ตามไปขอโทษทันนพอตามไปลูกศิษย์เออถ้าเป็นโยมนะเป็นลูกศิษย์พระสาริบุตรเนี่ยเห็นพราหมณ์นี่มันพอทุสร้ายเห็นอยู่แล้วเนี่ยก็เลยลุมตีลุมตีแลลุมตีท่านก็เลยห้ามไว้บอกว่าอย่าไปทําเขา ไม่ทําได้ยังไงก็เขาประทุสล้ายท่านเนี่ยท่านไม่ประทุษลายนี่ไม่ผมทนไม่ได้พวกผมทนไม่ได้ต้องปะทุสล้ายเนี่ยแต่ก็ถามว่านี่แล้วท่านเข้าตีไขกนน่ก็ตีท่านน่ะเนี่อ้าก็ตีอาตมาเนี่ยก็ให้เป็นเรื่องของอาตมานี่นี่บอกว่าท่านเจ็บเลยเนี่ก็ตีก็จะเป็นเรื่องอาตมาอาตมาอ้โหสียให้เขาแล้วอะไรแล้วเนี่ยนี่ก็จบแล้วนีไง ไม่ใช่เรื่องของพวกท่านเนี่ยเป็นเรื่องของอาตมาเอง mm. เท่านั้นแหละเป็นการเตือนสติให้เห็นไหยิ่งยิ่งทให้คนทำเนี่ยยิ่งเดือดร้อนใหญ่นยยิ่งทุกข์มาก mm. โอ้โหนี่ท่านจิตใจท่านบริสุทธิ์ขนาดนี้ mm. แม้แต่คนอื่นเนาร้ายแทนท่านท่านก็ยังมีเมตตาอย mm. ไม่ให้ทาร้ายเนี่ยท่านโอ้ยทาพูดที่มีใจประเสริฐขนาดนี้เราจะตกนรกขนาดไหน ต้องตามไปไถวายอาหารท่านแล้วทำวิธีขอขมาท่านเนี่ยท่านว่าเอออาตมาไม่มีโทษกับใครมันจบไปแล้วข้าดาด้นก็ยังก็ยังไม่ติดใจเลยนี่ความไม่กโกรธมันก็สามารถทำคนที่กโกรธนั้นให้เห็นอานิสงส์ของความไม่โกรธแล้วประพฤติตนให้เป็นคนที่ไม่มักโกรธได้ด้วยนะนี่เรียกว่านี่มันมันช่วยคนอื่นได้ด้วยเนี่ย นถ้าเราเป็นผู้ที่รู้จักควบคุมจิตใจแม้อดทนก็ยังดีนะอดทนนี่อดทนนี่มันก็ยังไม่ให้ไฟมันลามออกไปข้างนอกมันไม่อยู่ดุ่นเดียวบางทีมันก็ดับเองนะเหมือนไฟลุกมากๆเราดึงดุ่นฟืนออกมาเนะี่ยมันก็ดับนะมันไม่ไหม้นี่ถ้าเราได้สติปุ๊บเนี่ยสติเตือนปอุ๊บเนี่ยความโกรธค่อยๆลดลงลดลงเกือบไปนะถ้าเรา ไม่มีสตินี่ไม่คอยเตือนตนเองนี่ถ้าไปตามมันก็มอนกับไฟมันไหมอะไรไม่เหลือเชื้อไม่เหลือเนี่ยมดเลยเนี่พอทอนลงมาปุ๊บมันดับนี่มันดับนีบ่มันก็หายไปเองดับไปเองท่านคันติท่านถึงบอกว่าเป็นธรรมที่สำคัญเป็นเครื่องประดับเป็นกำลังของผู้ปฏิบัติเป็นกำลังของสมณนะเนี่ยก็แสดงว่าความโกรธมีอยู่แน่นอนนะจึงมีธรรมข้อนี้นี่ ท่ากว่ดวยความกดทำข้อนี้ก็ไม่จําเป็นนี่ไม่ต้องมีขันติก็ไม่ต้องมีความขคมใจก็ไม่ต้องมีความอดทนก็ไม่ต้องมีเนื่องจากมันมีนี่แหละถึงมีธรรมทั้งหลายทั้งปวงมาปฏิบัตินี่นี่แต่ไปอ้างว่าเป็นผุุ้ชนเนี่ย อ, อ้พระอรหันต์ท่านปฏิบัติทําไมเน่ท่านจบแล้วเนี่นี่ก็ผูุ้ชนนี่แหละมันต้องใช้ธรรมะเยอะที่สุดเนี่ยเพื่อมาคัด เก่ามันมาหัดมาขัดมาเก่ามันเนี่คิดว่าถ้าเราไม่ลืมธรรมะเราก็ได้สติไม่มีเวรไม่มีภัยหรอกแต่ถ้าลืมธรรมะแล้วมันโอ้ยมันวิ่งตามอานาจของกิเลสนี่มันก็เลยทุกเป็นภัยเนี่สำคัญเหมือนกันนะเราฟังแล้วก็ได้ข้อคิดได้หลายอย่างแนี่ยจะได้เตือนใจเรานี่ยจะได้เป็นผู้ที่ ไม่มาโกรธหรือโกรธแล้วก็ให้รู้จักหาวิธีแก้ไขคมแล้วมันสบายจริงนะี่ถ้าเราไม่โกรธได้นี่มันสบายเลยมันสบายตนว่ายืนเดินนั่งนอนเป็นสุขนะี่หลับตื่นเป็นสุขนะเพราะความไม่โกรธมันมีแต่จิตที่มีความรักแผ่ความรักมีความเมตตาเนะี่ยก็นอนเป็นสุขนะตื่นเป็นสุขเนะ่ยถ้าโกรธมากๆนอนไม่เป็นสุขนะนอนไม่หลับเนะี่ย กินก็ไม่ได้มันมีผลลายขนาดนั้นถึงว่าต้องฝึกกัดจิตใจไว้ให้ดีแผ่เมตเมตาเยอะๆเมตตาพรมวิหารก็มีเมตตาอัปปมัญญาก็มีในพรมวิหารเมตตาแรกๆก็จะจำกัดในเมตตาตนเองมีขอบเขตจำกัดหน่อยหรือคนใกล้เคียง เห็นดา น, านิสงเกิดขึ้นแล้วก็แผ่ไปไกลทีนี้ก็เป็นอัปปะมัญญาเมตตาเนี่ยคือไม่ได้มีขอบเขตจำกัดเนี่ยปรารถนาดีแก่สัตว์ทั้งหลายตั้งแต่สัตว์วิญญาณจนถึงมนุษย์ที่ร่วมโลกเดียวกันเนี่ยปรารถนาให้เขาเป็นสุขเนี่ยแม้คนที่เขาไม่ดีถ้าฝึกขัดจิตใจเมตตามีเมตตาแล้วก็จะสงสารเนี่ย มันไม่ได้ซ้าเติมหรอกเนี่ยถ้าคิดซ้าเติมนั้นเราลืมเมตตาทันทีผมเคยพูดเหมือนกันบางทีพระเราก็ลืมเหมือนกันนะอบางทีโอ้ยพวกนั้นมันใช้ไม่ได้มันเป็นอย่างนี้มเมตตามันทำไมเ้อก็กลายเป็นโลกไปเลยเนะี่ยถ้าเรามีทำเออสงสารเขาสิเขาทาเพราะเขาไม่รู้หรือหรือเขารู้เขาคิดว่าสาคัญว่ามันถูกไงเออ แต่ว่าเขาอาจจะมีความเห็นผิดอยู่แล้วสิ่งนั้นมันทำทุกข์ให้เขายังไม่รู้สึกตัวก็น่าสงสารเขาเห็นไหมท่านบอกวิธีที่จะระ ง, งับความโกรธเนี่ยเอไม่ใช่เห็นเขาทำแล้วไม่ถูกใจเราเออไม่ใช่เป็นพวกของเราเป็นพักของเรานี้ยก็โกรธไปตามไม่ได้เอเราต้องรักษาคุณธรรมข้อนี้เนี่ย ต้องสงสารคนที่เขาเพียงพลัมก็สงสารจิตใจจะอ่อนโยนนะถ้าฝึกลองดูก็ได้เนี่ยคนที่เขาซ้ําเติมว่าไม่ดีอย่างโน้นเราคิดวิจารโดยธรรมนี่เออน่าสงสารนะต้องน่าสงสารเขามากกว่ายิ่งถูกเขาซ้ําเติมมากๆเนี่ยแม่สังคมจะคิดว่าเขาช่วยอย่างโน้นอย่างนี้เราก็ยังมีเมตตาจิตเนี่ยเอถ้ามันหาช่องที่จะแผ่ไม่ได้จริงๆไม่เห็นความดีเลยเกาอุบเบกขาเสีย โอ้ยตรงไหนก็ไม่ดีเหมือนหยิบมะม่วงขึ้นมาเนะียหาที่จะกินสักหน่อยหนึ่งเนะี่ยตรงนั้นก็เหนาตรงนี้ก็เหนาหยิบเอ้ยตรงไหนจะหาเอาไม่มีจุดดียะก็ไม่เป็นไรโยนทิ้งไปตรงไม่เอามันเนี่ยนั่นคือลักษณะของผู้ใหญ่เนะียอุบเบกขาก็ไม่มีพิษมีภัยกับใครว่า ม, มันใช้เมื่อได้ก็ปล่อยไว้เอเผื่อเม็ดมันดีมันถูกดินเกิดขึ้นมาใหม่มันอาจจะมีลูกดีๆให้กินก็ได้ก็ยังมีเชื้ออยู่เนี ก็คิดอย่างนี้ก็สบายใจกว่าเยอะนี่นะนะ